พันธจักรสองร้อยสีสิบเก้าจจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีเหลืองเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีแดงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษพิกษุจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเขียวให้เคลื่อน พยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศตภิกษุจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีเหมือนเปรี่ยงเคลื่อนต้องอบัตส <s OD isas> ังฆาทิเศตภิก <institute> ษุจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท้าเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศต ภิกษุจงใจจะทําน้ําอสจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสจิสีเหมือนน้ํามันเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทําน้ําอสจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสจิสีเหมือนนมสดเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทําน้ําอสจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่